แต่ก็ยังไม่มีใครทำได้หมวจะไปยืนพิจารณาอะไรกันก็ไม่ทราบไอ้คำว่ามโนภาพตีปัญหาผิดเข้าใจว่าตัวเองนะ่มีตามีหูลงไปมีสะดือ ม, ม, ม, มีข่ามีขาเข้าใจผิดไอ้คำว่ามนโนภาพในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเรายืนอยู่สภาพชีวิตเป็นอย่างนี้ล้นอ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 อันดับสองดินขึ้นม า, าก็กําหนดว่ายืนเนอพอดีอย่างนี้แล้วคลองในเมื่อทําได้เช่นนี้สติก็จิตอยู่ด้วยกันมาได้แต่จะรู้เห็นแจ้งห็นจริงขึ้นมาในข้อหนึ่งเดี๋ยวจะไปมองเห็นที่ไหนจะมองใครก็ตั้งแต่ทิศละลงไปกลายเท่าขึ้นมาแต่จะรู้ว่าวาระจิตของคนหน้านี้ใสเป็นอย่างไร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 และจิตคนนั้นกำลังไฟต่ำหรือไฟสูงประการใดเราก็จะได้ทราบเราก็ได้แจ้งชัดเจนเข้าไปอีกอการกำหนดประเภทนี้เป็นต้นไม่ใช่มาปฏิบัติกันได้มั่งไม่ได้มัง่งปลับไปก็เลิกไม่ได้ใช้สติแม้แต่เวลาเดียวไม่ใช่อกาสอันดีงามที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบันนั้น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 กลับได้แล้วก็ยืนน้อยห้าครั้งกลับมาตรงเส้นบรรทัดแล้วจะขวาย่างท่ายางต่อไปเรียกว่าเสด็จบรรทัดก็ยืนหนออีกห้าครั้งพิจารณาให้สติอยู่กับจิตต้องการให้มีสตินั่นเองเพราจิต ด, ดีมีปัญญารอบรู้ได้แน่รอบรู้โดยเหตุด้วยผล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 เวลากำหนอดอายนาธาอินทรีน่นะเป็นอาการที่ต้องกำหนดโดยบังคับตาเห็นก็กำหนดหูได้ยินเสียงก็กำหนดจมูกได้กลิ่นก็กำหนด้นรับรถก็ก ำ, กำหนดกายช้ำผัสก็กำหนดถ้ากำหนดแล้วถังจะมีแต่สติปัญญาจะทำอะไรก็เรียบร้อยทำอะไรก็คล่องแคล่ว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 ท่านเข้าถึงมาลายัยจะซึ้งของท่านเองาจะไฟดีจะสร้างแต่ความดีตลอดจะไม่กลับไปสร้างความชั่วอีกต่อไปแล้วความหมอนหมองในใจก็หายไปล้อลุมคุ้มใจก็หายไปเมื่อแต่ความดีแทนที่อยู่เสมอทายถอนออกไปแล้วเนี่ยถึงจะซึ้งใจ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 นี่แหละตมาพกกล่าวให้โยมฟังภูชารรทำติดต่อกันไปธรรมะไายช้าใช้โยนิโสมานาจุการกรึ ก, กรองคำว่ากรองนี่ก็คือสติจัมปัญญาตัวกำหนดกรรมฐานเป็นตัวกรึกรองไม่ใช่ลรวรู้มากมันต้องล้กรองลูกลัน่นลูกแจงรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นความจริงและเป็นเนื้อหาสาระในแก่นสารเหล่านั้น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 แล้วก็จะเอาโน่นเอานี้ตลอดการมีที่นี่เป็นประจำนี่หนละคนไร้ธรรมะก็จะไปโทษลูกนักก็ไม่ดีโทษพ่อแม่ที่ได้สระเลี้ยงลูกไม่ได้ผูกพันลูกมันจะด่าให้ทำน้องนี่เป็นตน้นแล้วไม่พูกกับพ่อกับแม่เลยมาแล้วร้องโหยมร้องหายาหน้าที่ได้มีเป็นประจำที่นี่วันนี้มีอีกสองลาย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 จะได้สร้างความดีอันนี้ติดตัวไปติดจิตใจบันทึกหลักฐานเป็นกลาความดีเป็นกลาอันนี้จะได้มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีบทกรอนทานองทำชีวิตนี้เราก็จะเจริญเองจะเสื่อมหรือจะเจริญอยู่ที่ตัวของท่านเองท่านจะทาให้เสื่อมไม่มีใครเลื่อมสายไหนเลยเราใค ร, ครเขาเราั้นจะเห็นด้วย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 ความดีจะติดตามตัวไปนาบุญก็จะได้ไปเป็นความสุขอย่าไปสร้างเงาบาปเนาบาปมันก็ตามตัวไปเดือดร้อนไม่มีพวกพองพี่น้องแต่ประการใดจะไล่สาระในช่องโคมของขุนถาเป็นที่นาที่ได้มากขอขอฝากไปบุชาลตั้งใจทำปฏิบัติธรรมะให้มีความเห็นอยู่ในจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน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 อุตคาโปคาปะปะปะจาวิถินาอาปะทาตุเมอุาทาินาทินาปันปะอิตอุปปิกาสิ สัญญตาปรามาจาลโนอาตาังโะนาติโกรมาวังโสเมอยตโตอนุปัตโตปัตตังนยังเอตังโนสลมารวอิยธรรม โตนลอิเทวานังปะสังังิเป็นเกปาโมจเตีมติปวาตัว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 ยังจะตั้งใจยังไม่ทําไปไปายยังไม่ทันเอาไป ถ, าไปถาวายเราก็ได้แล้วแต่บางคนก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นบาบาตเหน็บจะอยู่หัวมีพระรจะศรัทธาเนี่ยพระชัฐทานทั้งอาทานมาไปครั้งที่ห้าทุกวันศกตอนเดือนครั้งที่หกก็สารก่าวสารห้าสิบประสอบ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 ลาธนาที่จะได้ถวายเป็นพระกุศลทุนชัยพัฒนาของประเจาอยู่หัวเราองค์ได้ทรงเนือยาพระวรกายมาเป็นถึงห้าสิบประปัญชาเพื่อพัฒนาประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองวัฒนสถาพรมาจนถึงทุกวันนี้เราก็รวมได้แล้วเมวื่อวันเช้านี้เขาก็มาเชนญเชคให้หนึ่งแสนถวายทุนชัยพัฒนา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 แต่ก็ยังไม่เท่าภาวนาภาวนาที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาแลยแต่ทุกคนทำไม่ถึงศีลไม่ถึงภาวนาไอ้วริจาคทานก็คใครก็ทำได้แค่ทานแต่แค่ศีลเนี่ยยากมากทาไมเรียกว่ายากขอเจริญพรนังต่อไปนี้เราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาชนิดมีงานสาทนานพิธีก็ต้องรับศีล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 รับแล้วยังไปเดิมธุรายาเมาดุดสืดเสพยาติดเสพติดนี่หรือชาวพุทธ น, น, นี่ใครรับศีลใครก็รับได้เอาตากรับแต่จิตไม่ยอมรับทำไมจึงจะจิดจะยอมรับได้ต้องเจริญภาวน า, นานให้จิตมันมั่นคงเมื่อจิตมั่นคงใลหลับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ะ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 ไม่จะมีประโยชน์ก่ท่านเองไม่ใช่เป็นประโยชน์คนอื่นพอได้พอเสียอยู่ในท่านเองจะเป็นพ้าสงฆ์องค์เจ้าหรือจะเป็นฆราวาที่ไหนก็ตามถ้าปฏิบรรัติรามต้องมีเมตตาต้องขยันไม่มีขี้เกียจทำกิจวัตว ร, รมไม่พักมอกเหนือจากนั้นจะไม่ขี้โกงจะไม่ขี้ฉาจะไม่ขี้ฤิทธิะยแต่ประการดตรงนะั้นเป็นจุดสาคัญแต่หน้า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 ก็คือการเจริญสติปัฏฐานถือต้องการให้มีปติไปยึดเอาไปยัดไว้ที่เราความคิดคิดอะไรก็ตั้งสติไว้จะทําอะไรก็ตั้งสติไว้จะทําอะไรก็รู้ตัวไว้ว่าทำถูกต้องหรือไม่ประกานใดมันจะมีประโยชน์แก่ท่านเองไม่ใช่มีประโยชน์กับคนอื่นแตประการได้อันนี้เป็นความหมายมากและการเจริญกรรมฐ า, านต้องการตรงนั้น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 ไอ้ตนมุดบอดีสดเดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์ไม่ใบสุดกันบกท่องกันมากมาในเรื่องมนุษย์นี้นะ่ะเป็นคนก็คนไม่ทั่วปากก็โล่ น, นก้งก็รั่วไหลออกไปนาะนาประการไหนเลยลจะมีคุณสมบัติอันนี้อยู่กับตัวท่านได้แต่คงจะไม่ได้แล้วเนี่ยนะท่านพี่น้องที่รับที่ท่านมาเจริญกรรมาฐานนั่นต้องการตรงนี้นะไม่ไต้องการตรงอื่นถ้าทำทางความดีนะ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 จัพพโลคเาวิณีมรตสัมภารันทางภวติจอสัมปรเวลามาติดกานตนบุตรจะตุวังประวัติียทติยนจันตุกรรมบารโลมกุยนานกัสุมาเตน สลายโยตุกยโกอมวาิวจนาเสยเนสามปจายนอนจัดตาลสีอายุวันโสุขา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 ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัยยาประชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เทยาบาดเียบเรียนซึ่งกันและกันเลย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 แก่เปรดทั้งหลายขอให้เปรดทั้งหลาย